วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส1มสิพฤศภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้สนใจการศึกษาการปฏิบัติธรรม ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมณนะสถานที่แห่งนี้ในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหยุดนักขะัตะเลิกและวันหยุดชดเชยจะมีการแสดงธรรม <c oughs> และการปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมงภัยโดยสามสิบนาทีแรกจะเป็นการแสดงธรรมให้สาธุชนพุทธบริษัตวได้ยินได้ฟังได้เกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมา <c oughs> แล้วหลังจากนั้นอีกสามสิบนาทีก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิ <c oughs> เพื่อทำใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงธรรมะวันนี้ที่จะเอามาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน <c oughs> ก็คือเรื่องร่างกาย ร่างกายของพวกเรานี้แหละที่พวกเรามีกันอยู่แต่ความเห็นของพวกเราเกี <c> ่ <oughs> ยวกับร่างกายอันนี้ยังไม่เป็นความเห็นที่ถูกต้อง <c oughs> ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นความเห็นผิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเรียกว่าส ก, กายะทิฏฐิ ความเห็นที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรายั่งยืนถาวรอยู่ภายใต้อยู่ภายใตย้าตาการควบคุมบังคับของเราตลอดเวลาความเห็นเหล่านี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเป็นมิจฉาทิตินาไปสู่การ อุปทานความยึดมั่นถือมั่นความรักความหวง <c oughs> ความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆถ้าเราต้องการที่จะทำให้เราคือใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้ <c oughs> ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราใหม่ เปลี่ยนจากมิจฉาทิจจิมาให้เป็นสัมมาทิจจิให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเราจรึงต้องมาศึกษาความจริงของร่างกายนี้ว่าเป็นอย่างไรกันแน่เป็นอะไรกันแน่เบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราดูร่างกายของเราว่ามันเป็นของชั่วกลาว เป็นของไม่ยั่งยืนถาวอนมันเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครตั้งแต่ร่างกายของพระเจ้าแผ่นดินพระธานาธิปดีนายกรัฐมนตรีลงมาจนถึงขอทานข้างถนนเป็นร่างกายเหมือนกันที่มีอยู่ภายใต้กฎ อนิจจังความไม่ยั่งยืนถาวรมีสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา <c oughs> สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> เราต้องมาเปลี่ยนทัศนกติของเราต่อร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้จะไม่อยู่ไปตลอดจะต้องถึงแก่ความตายวันใดวันหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็วร่างกายของคนเหล่านี้สามารถตายได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยบางคนคล้าวออกมาก็ตายขณะที่อยู่ในท้องแม่หรือคล้าออกมาอยู่ได้วันสองวันก็ตายบางคนก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีบางคนก็อยู่ถึงเจ็ดสิบปีร้อยปีแต่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาว ในที่สุดมันก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนเป็นสิ่งที่เราอีกเรียงไม่ได้อยู่เหนืออยู่เหนือความตายไม่ได้คือื่วงพ้นความตายไม่ได้กันทุกคนแต่ขอให้เรารู้ว่าร่า ง, างกายของเรานี้ความจริงมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกาย เราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งไว้สําหรับนําเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆหรือเอาไปทําโทษต่างๆเราคือธาตุรู้ผู้รู้คือใจผู้มีความรู้สึกนึกคิดผู้มีความสามารถที่จะมาครอบครองร่างกายอันนี้ได้ ถ้สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของเราได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถควบคุมบังคับให้ร่างกายเป็นไปตามความต้องการของเราทั้งหมดเช่นสิ่งที่เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกาย ทำตามความอยากของเราได้ก็คือเราอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นแต่เราจะไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นของที่ ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาให้กับเราธรรมชาติก็คือธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเวลาดินน้ำลมไฟมารวมตัวกัน <c oughs> ก็สามารถที่จะผลิตต่างกายขึ้นมาได้ผลิตอาการสามสิบสองขึ้นมาผลิตขนผมและฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับผังผือดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ามันเหลว น้ำลายน้ำมูก <c oughs> น้ำไขข้อนี่แหละคือส่วนประกอบของร่างกายอาการสามสิบสองไม่มีใครเป็นผู้สั่งให้มันเกิดขึ้นมาได้และไม่มีใครสามารถมาห้ามไม่ให้มันดับมันได้เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ <c oughs> อยู่ภายใต้กฎของธาตุสี่ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ <c oughs> เราจรึงไม่สามารถควบคุมบังคับร่างกายให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้ทุกอย่างเราสามารถสั่งให้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนได้เช่นวันนี้เราอยากจะมาวัด <c oughs> เราก็สามารถสั่งให้ร่างกายพาเรามาวัดได้ แต่ก็ไม่ได้สามารถจะทำได้ทุกครั้งไปเพราะบางครั้งเราสั่งให้มาวัดแต่ร่างกายเกิดไม่สบายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็จะไม่สามารถสั่งให้ร่างกายทำตามที่เราต้องการทุกอย่างได้ความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากเราหลงไปคิดว่า เราสามารถสั่งให้ร่างกายทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้เสมอไปพอเราไม่สามารถสั่งได้เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญหาของเราคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเสมอไปเรา ไม่สามารถสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอเราไปสั่งหรือไปอยากให้มันไม่แก่พอเวลามันแก่มันก็จะทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจเราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้พอมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็ทาให้เราไม่สบายใจเราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่ตายได้ พ อ, อเวลามันตายขึ้นมาเราก็เศร้าโศกเสียใจกันความทุกข์เหล่านี้เราสามารถที่จะกําจัดมันได้หมดจากใจของเราถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ทุกอย่างไปหมด มีขางบางอย่างเราควบคุมบังคับไม่ได้คือความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรามีความเห็นแบบนี้เราก็จะได้ระงับความอยากไม่แก่ได้ระงับความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ระงับความอยากไม่ตายได้เราระงับความอยากเหล่านี้ได้ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้น เวลาที่ร่างกายเราแก่เวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายเราตายไปหรือร่างกายของใค้กระจามของคนที่เรารักที่เราเคารพเช่นบิดามารดาปู่ยา่าตายายหรือสามีภรรยาบุตรธิดาของเราก็เป็นร่างกายเหมือนกันทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง อนัตตาเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายทุกคนเวลาที่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายเราจะมักเศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้อง ร่างกายนี้ต้องแก uh, ่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร้องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้<อ>ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายอย่าไปอยากให้มันแก่อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตาย แล้ใจก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือ <c oughs> วิธีที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาของเราเกี่ยวกับร่างกายของเราเราต้องใช้ปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิมาแก้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นที่เรียกว่าสักกายะทิฏฐิเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่ภายใต้อำนาจของเรา เราสามารถสั่งให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปได้ตลอดชั่วฟ้าดินสลายมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายอมเวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายังไม่ยอมถึงแม้เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วเช่นวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้แล้วว่าร่างกายนี้มันเป็นดินน้ำนมไฟ มันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ใจเรายังไม่ยอมรับอยู่ <c oughs> เพราะใจเรามี <c oughs> สิ่งที่ต่อต้านความจริงอันนี้อยู่ <c oughs> คือโมหะอวิชานี่ความหลงความมืดบอดแล้วก็ตั้หาความอยากความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข เราจึงไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปมันก็จะมาขัดกับความอยากของเราเราก็จะไม่สามารถไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเราก็จะไม่สามารถออกไปทำงานทำการหางเงินหาทอง ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปทําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปทําอะไรตามความอยากต่างๆของเราไปพบเพื่อนฝูงไปไปซื้อข้าวซื้อของไปทําอะไรต่างๆที่เราชอบทําเราก็จะไม่สามารถใช้นั้งกายนี้ทําได้พราะความอยากนี้เองมันจึงทําให้เรา ถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ความอยากนี้มันทำให้เราไม่อยากให้มันแก่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายถึงแม้ว่าเราจะรู้ถึงแม้่เราจะระลึกถึงทุกวันก็ตามว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เวลาเจอเข้ามันก็ยังทุกข์อยู่อาจจะทุกข์น้อยกว่าตอนที่ ไม่รู้เรื่องเราเหล่านี้เกี่ยวกับร่างกายเลยถ้าเราไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาครั้งแรกนี่ <c oughs> อาจจะเกิดอาการช็อกขึ้นมาเลยก็ได้อโอ้ร่างกายของเรานี้มันสามารถเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงอาจจะถึงแก่ความตายได้เลยทีเดียวมันก็อาจจะทําให้เราทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง ถ้าจะไม่รู้ว่าวิธีจะกำจัดความทุกข์เหล่านี้ทำอย่างไรอ <c oughs> ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เราได้พิจารณาร่างกายของเราอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆคิดจนเราจำได้ใจเราจะยอม อาจจะยอมไม่หมดเพราะกิเลส ต, ตัณหาความอยากของเรามันยังไม่ยอมอยู่แต่อย่างน้อยเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอาจจะถึงใกล้ความตายใช่อาจจะไปเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาแหมอวิเคราะห์ว่าเป็นระยะที่สามระยะสุดท้ายแล้วถ้าใจเราได้คอย ทับท่มสอนใจเราอยู่เ ร, ยเรื่อยว่าร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายในวันใดวันหนึ่งความทุกข์ทรมานใจอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับการที่เราไม่ได้เราเลิกถึงบ่อยๆว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายต้องตายไปถ้าเราไม่เลอกถึงมันเลยนี่เวลาเกิดขึ้นเราจะตกใจมาก ถ้าเราลืมไปว่ามันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องตายแต่ถ้าเราเลิอกอยู่เรื่อยๆไม่ไม่ลืมรู้อยู่ทุกวันตื่นขึ้นมาก็เลิกก่อนนะร่างกายที่เรามีอยู่นี้เดี๋ยวมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะนําไปสู่ความตายก็ได้ถ้ามันคิดอยู่บ่อยๆพอเจอความจริงมันก็อาจจะพอรับได้แต่อาจจะรับไม่ได้ทั้งหมด คือยอมรูว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ยังอยากไม่อยากจะให้มันหายอยากจะให้มันไม่ตายอยู่ความอยากที่มันอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันไม่ตายนี้มันก็จะพาให้เราพาความทุกข์มาให้กับเราถ้าเราอยากจะไม่ให้ใจเรานี้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายเลยนี่ เราต้องมาหยุดความอยากกันให้ได้ก่อนเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่จะไม่ยอมรับความจริงเพราะความอยากมันต้องการมีร่างกายต้องการใช้ร่างกายแต่ถ้าเราสามารถมาระ ง, งับความอยากได้<ม>ถึงแม้จะเป็นการระ ง, งับแบบชั่วครั้งชั่วคราวก่อน <c oughs> ความทุกข์ที่เราจะได้จากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายก็จะน้อยลง หรืออาจจะหมดไปเลยก็ได้ดังนั้นนอกจากการที่เราจะต้องหมั่นลำลึกสอนใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าใจเรายังไม่ยอมรับยังทุกข์กับมันอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้หยุดความอยาก ความต้องการที่จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆอยู่เราก็ต้องมาปฏิบัติที่ใจกันละมาหยุดความอยากที่ใจของเรากันด้วยการมาเจริญสตินั่งสมาธิมาถือศีลแปดกันเพราะนี่คือวิธีการที่เราจะมาหยุดความอยากที่มีในใจได้ พอเราหยุดความอยากได้แล้วทีนี้เวลาเราเจอความเจ็บความตายเราจะไม่ทุกข์ได้เลยเพราะเราเมื่อเราสามารถหยุดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้แล้วต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือการหาความสุขอีกแล้วนั่นเองดังนั้น นอกจากการที่เราต้องนำนานึกทุกวันบ่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเหมือนกับการท่องบทสูตรคูณนี่เราต้องท่องบ่อยๆท่องจนจำได้สองเป็นสองสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสามเป็น6 <c oughs> ในสมัยที่เด็กๆเราเรียนคณิตศาสตร์เขาจะมีหลักสูตรหลักให้เรามาท่องสูตรคูณกัน <c oughs> ท่องไปทุกวันจนกระทั่งมันจำได้ แม้กระทั่งผ่านมากี่สิบปีแล้วมันก็ยังจำได้อยู่ถ้าเราท่องอยู่บ่อยๆเราก็ต้องมาท่องสูตรของร่างกายนี้ว่าเกิดแก่เจ็บตายคือสูตรของร่างกายร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนถ้าเรา <c oughs> รู้เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับความแก่ความเจ็ บ, ค ว, จบความตาย ได้แต่ถ้าเรายัง <c oughs> ไม่ปฏิบัติไม่หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เราก็ยังจะต้องทุกขกับมันอยู่เดียงแต่ว่าเราอาจจะทุกข์ไม่มากเท่ากับคนที่ไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเลยก็ได้ถ้าเรายังตอนนี้ยัง กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่ก็แสดงว่าเรายังหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ได้เราต้องมาปฏิบัติว่าหยุดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากร่างกายเรามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบ พอถ้าเราทำใจให้สงบได้เราจะมีความสุขที่ดีกว่าได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอเราได้ความสุขจากความสงบได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายได้เราไม่ต้องไปหาความสุข <c oughs> ผ่านทางร่างกายอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องทุกกับร่างกาย ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องอาศัยเขาเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วเมื่อก่อนนี้เราต้องอาศัยเขาพอเขาเป็นอะไรเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นม า, ท, าทันทีแต่ตอนนี้ร่างกายเป็นอะไรเราก็ยังสามารถมีความสุขจากการทาใจของเราให้สงบได้และเป็นความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่เราได้รับจากร่างกายสิ อ, อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาปฏิบัติกันคือทำใจให้สงบกันถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่และตลอดเวลาเราก็จะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ <c oughs> เราก็จะไม่ทุกกับร่างกายกต่อไปการที่เราจะสามารถที่จะ <c oughs> ทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาเราก็ต้องมีการควบคุมใจตลอดเวลาควบคุมใจให้นิ่งนั่นเองอันนี้ใจเราไม่นิ่งไม่สงบ <c oughs> เหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปวิ่งมาไม่เคยจอดไม่เคยอยู่เฉยเฉยถ้าเราอยากจะให้รถยนต์จอดเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าเราเหยียบเบรกรถยนต์แล้วรถยนต์ก็ต้องจอดนิ่งใจของเราก็เหมือนกัน ใจของเราตอนนี้ไม่เคยสงบไม่เคยนิ่งเลยชอบคิดอยู่ตลอดเวลาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงวิธีการหาความสุขต่างๆอยู่ตลอดเวลาใจ <c oughs> ของเราเลยต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะไม่มีความสุขในตัวของตนเองในตัวของตัวเอง แต่ถ้าเรามาหยุดความคิดได้ทำจิตให้นิ่งได้จิตก็จะมีความสุขขึ้นมาในตัวของตัวเองจิตก็จะได้ไม่ต้องไปอาศัยความสุขจากร่างกายต่อไปดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ใจสงบได้ก็คือการฝึกสตินั่งสมาธินี่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิแล้วทำใจให้นิง่งให้สงบได้ ต่อไปเราก็ไม่ต้องงาศสายร่างกายเป็นเครื่องมือ <c oughs> เราจะสามารถใช้สติใช้การฝึกสมาธินี้เป็นเครื่องมือ <c oughs> ในการหาความสุขให้กับเราเองได้แล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ใจเราจะไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเรามีวิธีหาความสุขที่ดีกว่าคือวิธีฝึกสตินั่งสมาธินี่เองสตินี่แหละเป็นผู้ที่จะหยุดใจเหมือนกับเบรคของใจเบรคความคิดได้ถ้าเราเบรคความคิดหยุดความคิดไม่คิดได้เมื่อไหร่จิตก็จะนิ่งสงบขึ้นมา ท, าทันทีเป็นสมาธิขึ้นมา ท, าทันทีเป็นฌานขึ้นมาทันที แล้วความสุขอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราทันทีแต่การที่เราจะทําใจให้เนี้ยสงบได้นี้เราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติถ้าเป็นไปได้ก็ต้องไปปฏิบัติแบบนักบวชกันนักบวชนี่เขาไม่ต้องมีภารกิจอย่างอื่นเขาจึงมีเวลาที่จะเจริญสตินั่งสมาธิ ทำใจให้นิ่งให้สงบได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแต่เรายังเป็นผู้คองเรือนอยู่เราก็อาจจะต้องหาเวลาที่เราพอมีเวลาว่างมาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิกันไปเรื่อยๆก่อนโดยเฉพาะวันที่เราหยุดทำงานเช่นวันนี้เราอาจจะใช้วันหยุดทำงานทั้งวันนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ ตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเพอยิ่งทำมากเท่าไหร่โอกาสที่จะใจจะนิ่งใจสงบก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดำับถ้าเวลาที่เราให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิมีน้อย <c oughs> โอกาสที่จะทำให้ใจนิ่งใจสงบนี้ <c oughs> ก็จะมีมีน้อยเกิด ข, ขึ้นได้ยากกว่าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลย แต่เบื้องต้นตอนนี้เราก็พยายามหาเวลามาฝึกให้ได้อย่างน้อยวันละครั้งสองครั้งก่อนนอนแล้วก็หลังจากตื่นเช้าขึ้นมาเอาครั้งละสามสิบนาทีดูซิเป็นยังไงลองฝึกนั่งสมาธิควบคุมใจด้วยอารมณ์กรรมฐานใจจะนิ่งได้ต้องมีเครื่องเครื่องเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐาน เป็นอารมณ์ที่เราสามารถใช้ดึงใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆได้ <c oughs> พอใจไม่ลอยไปกับความคิดแล้วเดี๋ยวใจก็จะหยุดคิดได้ <c oughs> การนั่งสมาธิจึงต้องจเจริญสติคือให้มีสติอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกรรมฐานนี้มีต้องสี่สิบชนิดด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้กันแค่สองสามชนิด ในเบื้องต้นของการปฏิบัติ<ม>คือเราอาจจะใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติจะร ะ, ะลึกด้วยการสวดบทอ e ิปปิโสก็ได้บทพุทธคุณหรือจะร ะ, ะลึกด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้<ม>ถ้าเรามีระยุตใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมากับความคิดให้อยู่กับพุทธโธ พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะหายไปใจก็จะเน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะใช้อานาปนานสติเป็นกรรมฐานหรือมีสติละเลิกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเราก็ใช้ <c oughs> ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องผูกใจไว้ โดยการให้ใจรู้อยู่กับลมที่ปลายจมูกรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจเข้าหายใจออกเห mm hmm. มือนตอนนี้ลมก็หายใจเข้าออกของเขาเป็นปกติอยู่เราเพียงแต่หันมาดูเขาท่านเองตอนนี้เราไม่ได้ดูลมเพราะตอนนี้เรากําลังฟังธรรมใจเราอยู่กับการฟังธรรมแต่เดี๋ยวเราหยุดฟังธรรมแล้ว เราก็จะสามารถดูลมแทนการฟังธรรมได้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจเข้าหายใจออกเพราะลมมันหายใจเข้าออกของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเราไม่มีหน้าที่มาบังคับให้ลมหายใจเข้าออกหน้าที่ของเรามาผูกใจไว้ให้ให้ดูลมเพื่อไม่ให้ใจเราลอยไปกับความคิดต่างๆดูที่ปลายจมูกลงจุดที่ลมสัมผัส แถวปลายจมูกนี้ลมจะเข้าจะออกจะสัมผัสทางบริเวณนั้นเราก็รู้อยู่ตรงนั้นรู้ว่าตอนนี้เข้ารู้ว่าตอนนี้ออกแล้วก็รู้ว่าสั้นหรือยาวรู้ว่าหยาบหรือละเอียดรู้รู้ว่ามันหายไปแล้วก็รู้ว่ามันหายไปก็ให้รู้เฉยๆต่อไปรู้อยู่ที่จุดเดิมรู้ว่าตอนนี้ลมหายไปแล้วก็รู้อยู่ตรงจุดนั้นเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจิต มันก็จะเข้าสู่ความสงบต่อไปเองอย่าไปอย่าไปเปลี่ยนที่ดูอย่าไปนึกคิดขึ้นมาว่าลมหายแล้วจะทำยังไงจะตายหรือเปล่าไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆไปเพราะเป็นจุดที่จิตละเอียดนมละเอียดจิตกำลังจะรวมเข้าสู่ความสงบนั่นเองเราเพียงแต่ให้รู้เฉยๆไป อ, อนนี้คือวิธีการนั่งสมาธิ เราต้องมีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานถ้าบางท่านยังดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนเช mm hmm. ่นสวดบทอ e ิทิปิโสไปหรือจะสวดบทแผ่เมตตาไปก็ได้สัพเพสัตตาหรือจะสวดบทพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้บางท่านรู้จักบทธรรมจักก็สวดบทธรรมจักไปสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆ ใจก็จะเบาลงความคิดก็จะน้อยลงใจก็จะเย็นใจก็จะสงบถ้าอยาก ก, ก็อาจจะอยากจะหยุดสวดขึ้นมา oh. พอเราหยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อก็ได้หรือถ้ามันยังคิดอยู่จะใช้บทจะใช้คำบริกรรมพุทธโธต่อไปก็ได้นี่คือวิธีการนั่งสมาธิเพื่อทาใจให้นิ่งให้สงบเพื่อกดความสุขใจขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปอาศัย <c oughs> อาศัยร่างกายกต่อไปเ <c oughs> พอเราไมา่ไม่ต้องอาศัยร่างกายนะเราก็ไม่ทูกกับร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เขาแล้วเขาจะอยู่ก็ได้เขาจะไปก็ได้เราไม่มีความเราไม่พึ่งพาอาศยเขาเหมือนเมื่อก่อนเหมือนตอนนี้ตอนนี้เรายังพึ่งพาอาศัยร่างกายอยู่ พอไม่มีร่างกายเราก็ตกใจกลัวกันพอไม่มพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถใช้ร่างกายทำอะไรให้กับเราได้ก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิได้หาความสุขจากการปฏิบัติทำได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ยังสามารถมีความสุขต่อไปได้นี่นี่ก็คือที่มาของ การปฏิบัติธรรมหลังจากที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วสำหรับธรรมที่แสดงในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในลำดับต่อไป <c oughs> เราก็จะมาฝึกสมาธิกันต่ออีกประมาณสามสิบนาทีโดยประมาณทำตามที่ได้แสดงไว้เมื่อกี้นี้ต้องมีสติผูกใจไว้กับกรรมฐานอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคต คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ว่าคิดแล้วก็ต้องดึนกลับมาหาลมแทนถ้าไม่อยู่กับลมก็อยู่กับพุโทโธถ้าไม่อยู่กับพุโทโธก็อยู่กับบทสวดมนต์หรือท่านจะใช้วิธีอื่นก็ได้อันนี้เป็นเพียงแต่ยกตัวอย่างขึ้นมาโดยสังเกตกรรมาฐานมีต้องสี่สิบชนิดบางคนก็ไปรัสินความแผ่เมตตาก็ได้บางคนไปคิดถึง ความแก่ความเจ็บความตายก็ได้เหมือนกันบางคนก็ไปคิดถึงอาการสามสิบสองก็ได้เหล่า น, นี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันสามารถที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้ตามกำลัง <c oughs> ของสติที่เกิดขึ้นจากการมีกรรมฐานเหล่า น, นี้แต่ข้อสำคัญอย่านั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆแป๊บเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ละแล้วคิดแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา แต่ความดิ้นรนทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดแล้วใจเราก็จะเน่งไปเรื่อยๆแล้วขณะที่เรานั่งนี้ถ้ามีอะไรมากระทบใจเราอย่าไปสนใจจะมีเสียงมากระทบก็ไม่ต้องสนใจมีกลิ่นนี้สัมผัสอะไรมาสัมผัสให้เราสัมผัสรับรู้ก็อย่าไปสนใจมีภาพมีรูปมีแสงอะไรก็อย่าไปสนใจ มีความคิดอะไรที่คิดว่าเห็นนู่นเห็นนี่เห็นสวรรค์เห็นนรกก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นของหลอกทั้งนั้นของของที่จะมาทำให้เราขาดสติทำให้ใจเราไม่นิ่งไม่สงบดังนั้นอย่าไปสนใจให้กลับมาที่กรรมฐานของเรานะกลับมาที่ลมถ้าเราดูลมกลับมาที่พุทโธถ้าเราใช้พุทโธกลับมาที่การสวดถ้าเราใช้การสวดหรือใช้อะไรก็ได้อาการสามสิบสองก็ได้ เกิดแก่เจ็บตายก็ได้แล้วแต่เราจะชอบเราจะเราจะถนัดดังนั้นในลำดับต่อไปนี้เราก็จะทำสมาธิกันจนกว่าจะได้เวลาตอนนี้เวลาสหรับ ก, การนั่งสมาธิก็หมดลงแล้วก่อนที่เราจะเลิกขอให้เราสังเกตดูวิธีนั่งมันนี้ว่า นั่งแล้วสงบดีไม่ดีถ้าสงบดีก็ขอให้สังเกตวิธีการนั่งของเราในวันนี้ถ้าจำเอาไว้คร า, าวหน้าเวลานั่งเราก็จะใช้วิธีนี้ต่อได้อย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้ความอยากไม่สามารถทําให้ใจเราสงบได้แต่วิธีการนั่งที่ถูกต้องจะทําให้ใจเราสงบได้ ดงนั้นขอให้เราจำวิธีไว้ถ้ามันนั่งเราดีสงบดีถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อย <c oughs> ก็พยายามฝึกสติ <c oughs> ไปบ่อยๆ <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนสามารถพุดโชได้ตลอดเวลาวิ่งฝึกสติมากเท่าไหร่เวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายสงบเร็วแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเอตาณังอุปกัรปฏิอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปะ จันทูปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเทผวะตวันตราลอยสุขีตีขายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสะนิจจังวุฒาปัจจายิโน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 เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานาคุติจากทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติ295ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์304 YouTube ดร V 52วิทยุออนไลน์7 c l ับ h o u s e 5นาคุติ149รวมทั้งหมด812ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนาคุติค่ะ คุณแม่เป็นคนชอบทำบุญทุกครั้งที่ทำบุญจะใช้ชื่อคุณพ่อหรือลูกสาวอยากถามว่าแบบนี้คุณแม่จะได้บุญด้วยหรือไม่คะมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่เป็นของของใครถ้าเป็นของคนนั้นแล้วก็สั่งให้ทำคนนั้นก็เป็นคนได้บุญคนที่ทำให้ก็เป็นเพียงแต่คนรับใช้ได้บุญอีกอย่างหนึ่งคือการได้บุญจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นแต่ไม่ได้รับบุญจากการ เสียสละแบ่งปันของนั้นไปเพราะฉะนั้นการทําทานนี้ผู้ที่จะได้บุญก็คือเจ้าของของแล้วต้องเป็นคนสั่งหรือถ้าทําเองได้ด้วยก็ยิ่งดีก็จะได้บุญครบแต่ถ้าไม่สามารถไปทําเองได้เช่นป่วยนอนโรงพยาบาลเราสั่งให้ลูกช่วยเอาของไปถวายพระอย่างนคนสั่งแล้วถ้าเป็นเจ้าของด้วยก็คนนั้นเป็นคนได้บุญ ลูกก็เพงแต่ได้รับบุญจากการรับใช้พ่อแม่เท่านั้นเองคนรั บ, บุญกันคำถามจากคุณชยาภาค่ะมีคนทักว่าลูกดวงไม่ดีตลอดทั้งปีทำการค้าขายอะไรลูกก็ขาดทุนการงานการเงินแย่มากเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแบบนี้ลูกจะต้องทำตัวปฏิบัติยังไงดีเจ้าค้ะให้ชีวิตผ่านไปให้ได้ค่ะ ถ้าเกิดเข้ามาทักว่าพวกนี้จะรวยเราจะเชื่อเขาหรือเปล่าเวลาเขาทัก็ไม่ดีเชื่อเขาพอเขาทักก็ดีกับไม่เชื่อซะอีกพุ่งนี้หวยออกนะมันไม่มันไม่ได้อยู่ที่คําทํานายทายทักของใครหรอกมันอยู่ที่ผลเหตุความจริงใครก็พูดไงก็ปล่อยก็พูดไปไม่ใ้แต่โกมุตุยังที่พูดยังไม่ถูกเลยผลจะตกหนักอาจจะกลายเป็นฝนเบาไปก็ได้ ในอนาคตไม่มีใครสามารถที่จะมาทํานายถ่ายทักได้หรอก แ, แต่รู้ว่าสิ่งที่แน่น อ, นอนอนาคตก็คือความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่แน่นอนนอกจานั้นแล้วความจนความรวยจะรวยเมื่อไหร่จะจนเมื่อไหร่จะขึ้นหรือจะลงนี้ไม่มีใครไปทํานายได้หรอกเฉะนั้นอย่าไปเชื่อให้เราอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตทําปัจจุบันคือขณะนี้ให้เราสบายใจก็พออย่าไปเชื่อใคร ทำใจเราให้มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปคำถามสักทาง Inbox ค่ะพอดีแฟนผมป่วยเป็นซึมเศร้าหลังจากที่เลิกกับผมไปผมควรจะทำยังไงดีครับผมกลัวเขาจะฆ่าตัวตายเพราะผมและผมจะบาปไหมครับเขาจะฆ่าตัวตายก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา ตัวเราจะช่วยอะไรเขาได้หรือไม่ก็ต้องไปถามคนดูสิจะให้ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างถามคนดูนเสนอตัวเราเองว่าพร้อมที่จะมารับใช้ถ้าอยู่เฉยๆเขาก็ไม่อาจจะไม่กล้ามาขอร้องความช่วยเหลือก็ได้ <c oughs> คําถามจากคุณบรรลือศัก่ะวิ ญ, ญญาณกับจิตใช้ตัวเดียวกันหรือไม่ครับใช่ตัวเดียวกันเวลามีร่างกายเราก็เรียกจิต แวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณตัวรู้ตัวคิดนี่เป็นตัวเดียวกันเป็นธาตุรู้ <c oughs> ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายก็ไม่ได้ตายความจริงร่างกายเป็นการแตกสามัคคีของดินน้ำลมไฟที่มารวมกันออดินน้ำลมไฟที่มารวมกับร่างกายแยกทางกันไปร่างกายนี้ก็หายไปเหมือนกับสามีภรรยาพอแยกทางกันไปการอยู่บบบคู่ครองก็หมดไป แต่สามีก็ยังอยู่ภรรยาก็ยังอยู่ดินน้าลมไฟที่มารวมตัวกันก็ยังอยู่มันแยกออกจากร่างกายไปสิ่งที่หายไปก็คือร่างกายเท่านั้นเองใจที่มาครอบครองร่างกายก็เลยต้องอยู่แบบไม่มีร่างกายก็เราเรียกว่าดวงวิญญาณไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปก็คือไปเกิดใหม่จากทางเฟ e บุ o k ค่ะ จะกราบถวายการปฏิบัติค่ะอขออนุญาตอ่านแบบสั้นๆนะคะโยมทางบ้านบอกว่าวันนี้ไม่สบายเป็นหวัดตื่นแต่เช้าใส่บาตรแล้วก็นั่งสมาธิกะว่าจะไม่เดินจงกรมต่อแต่ก็ทำตามที่พระอาจารย์สอนคือให้ฝืนความอยากก็เดินจงกรมไปประมาณหนึ่งชั่วโมงรู้สึกมีพลังไม่เหนื่อยเชื่อฟังคำสอนท่านพระอาจารย์ก็ได้พบเจอสิ่งดีๆค่ะ ทำต่อไปนะสิ่งที่เร า, าพูดนี่เราเคยทำมาแล้วได้ผลดีทำให้เราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติมากเท่าไหร่ผลก็จะยิ่งมากขึ้นไปตามลำดับไม่มีผลอะไรที่จะวิเศษเท่ากับผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวง คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ถ้าหากกำลังผิดวังในความรักพอจะทราบว่าสาเหตุของทุกข์อยู่ที่ใจที่ยังปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมดเวลามีอะไรมากระทบก็จะมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาไม่ทราบว่าทางธรรมะควรจะแก้อย่างไรให้ถูกทางคะระหว่างวิธีที่หนึ่งใช้ชีวิตปกติไปทุกข์ก็ให้รู้ว่าทุกข์ล้วางไปเรื่อยๆหรือสองปิดสื่อทุกอย่างงดการติดต่อชั่วคราวจนวางได้แล้วค่อยกลับมาใหม่หรือมีทางอื่นๆน ไหมคะที่จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นก็ต้องไปบวชชีบวชพานเร็วที่สุดให้ปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบใช้ปัญญาสอนใจให้รับความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาพอใจยอมรับได้แล้วใจก็หายทุกจากทางเฟ e บุ o k ค่ะ ช่วงนั่งสมาธิจิตไม่ค่อยสงบค่ะชอบคิดถึงแต่อดีตค่ะเพราะไม่ฝึกสติมาก่อนเนเราต้องฝึกสติบ่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธทขาองน้ำอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันกับพุทโธพุทโธแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธเอารับประทานอาหารกับพุทโธพอหยุดพุทโธต่อเมื่อเราต้องคิดเรื่องที่จําเป็นต้องคิดถ้าไม่มีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดก็พุทโธไปเรื่อย ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธได้เวลานั่งสมาธิใจจะไม่ฟุ้งซ่านใจจะสงบได้อย่างรวดเร็วยังไม่มีคำถามยังไม่มีค่ะมีใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้นะยกมือขึ้นด้วยเดินเข้ามาที่นี่แล้วก็รับไมโครโฟนไปถ้าไม่มีก็รอสักพักหนึ่งก็ได้เดี๋ยว เดี๋ยวคงจะมีกำลังพิมพ์ข้อความเข้ามาอยู่ฝึกจิตให้ดีจิตนี่เป็นของที่เราฝึกได้จิตเหมือนเด็กเด็กเราสอนให้ทำนูน่นทำนี่ได้ถ้าไม่สอนเขาก็ไม่รู้เขาก็ทำผิดผิดถูกถูกเราถึงต้องส่งเขาไปโรงเรียนกันส่งให้เขาไปโรงเรียนจนกว่าเขาจะเรียนจบดูสังเกตดูตอนก่อนที่เขาเข้าโรงเรียนวันแรก พอตอนที่เขาเรียนจบนี่เป็นยังไงต่างกันไหมวันแรกเข้าโรงเรียนไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยทําอะไรก็ทําไม่เป็นทักอย่างแตนะ่พอฝึกฝนอบรมไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยพอจบได้ปริญญาขึ้นมาทีนี้เขาสามารถพึ่งตัวเขาเองได้แล้วสามารถหาเงินหาทางเลี้ยงปากเลี้ยงชีพของเขาเองได้จิตใจของพวกเราทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาให้ ให้สุขให้เจริญให้มีความสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้<ม>เอาเพียงแต่ต้องศึกษาวิธีการ<ม>อังเทศบ่อยๆ<ม>แล้วนำทมที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ<ม>ทำที่เราควรจะปฏิบัติก็มีแค่สามข้อใหญ่ๆละการกระทำบาปทั้งปวงเลิกการเลิกทำบาปรักษาศีลห้าให้บริสุทธ อย่าไปถือว่าสินห้าเป็นของเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆสินห้านี่เป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตว่าเราจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่ศินห้านี่ mm hmm. ถ้าเราทําบาปเราก็จะชั่ว mm hmm. ตายไปก็ไปนรกไปอบาบัย mm hmm. ถ้าเรารักษาศินห้าได้เราก็จะดีเราก็จะไม่ไปนรกไม่ไปอบาบัย mm hmm. ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลย mm hmm. แล้วข้อที่สองก็ให้เราทําบุญ ถ้าเราอยากจะทำบุญอยากจะไปสวรรค์รักษาศีลห้าแล้วก็ต้องทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆตามกำลังของเราบุญนี้ลราจะเป็นตัวที่จะส่งให้เราไปสวรรค์ชั้นชั้นต่างๆแล้วถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือข้อปฏิบัติข้อที่สไปเจริญสตินั่งสมาธิเรียกว่าทำสมาธิได้สมาธิแล้วก็ไปสอนใจให้เห็น ให้ฉลาดด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากได้อยากมีเพราะเท่ากับการไปหาความทุกข์มาใส่หันั่นเอง <Yeah. S 1> อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่โดยไม่มีอะไรถ้าใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วสามารถอยู่ตามลําพังได้ <Yeah. S 1> อยู่คนเดียวได้ไม่ยุ่กับใครก็ไม่ต้องทุกข์กับใครถ้า <Yeah. S 1> ยังต้องอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้ก็ยังต้องทุกข์กับคนนั้นอยู่ทุกข์กับคนนี้อยู่เรื่อยๆไป อันนี้คือข้อปฏิบัติที่พระเจ้าทุกพระ อ, องค์ที่มาตารัสรู้จะสอนคือหนึ่งละ ก, การกระทําบาปสองชำระใจสองสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนาคือการทําสมาธิวิปัสนาภาวนาคือการทําปัญญาเจริญปัญญา ถ้ามีสมถะมีวิปัสนาก็จะมีมีวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะมีน้องชายติดยาไม่ทำมาหากินถ้าพ่อแม่ไม่เตรียมของให้กินก็มโมโหทำลายข้าวของหนูเป็นพี่สาวต้องมาเลี้ยงดูลูกให้น้องชายบางทีรู้สึกโกรธเป็นกรรมอะไรถ้าช่วยพ่อแม่ก็เดือดร้อนพอช่วย พอช่วยก็ได้ใจหนูควรทําใจอย่างไรคะก็ตัวใครตัวมัน เ, นเขาติดก็เรื่องของเขาเราอย่าไปติดตามเขาก็แล้วกันแล้วเราก็ไม่ควรที่จะสนับสนุนเขาปล่อยให้เขาสู้กับความทุกข์ของเขาที่เขาไปติดเกองถ้าไม่มีใครไปสนับสนุนไม่มีายาให้เขาเสพเดี๋ยวเขาก็ไม่มีรายเสพเดี๋ยวก็หายอยากเองถ้าไม่ ถ้ายังปล่อยให้เขาเสพอยู่เรื่อยๆมันก็จะติดไปเรื่อยๆไม่มีวันเส้นสุดคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าถือศีลแปดต้องลดอาหารเย็นแต่ดิฉันมีโรคประจําตัวที่ต้องกินยาเช้ า, ชาเย็นต้องกินข้าวก่อนอาหารจะถือศีลแปดได้หรือไม่คะก็แล้วแต่เราเราจะถือไม่ถือมันอยู่ที่เราถ้าเรากินข้าวเย็นก็ถือไม่ได้ถือศีลเจ็ดไปก็แล้วกัน ให้เวลาสินค้อนี้สินที่ไม่ให้กินหลังจากเข้าเย็นก็คือไม่ให้กินมากกินบ่อยถ้าจําเป็นจะต้องกินยาก็กินข้าวสักสองสามคำแล้วกินอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากินสักสองสามจานนี้มันก็มันจะทําให้เราง่วงนอนทําให้เราขี้เกียจปฏิบัติกินได้ถ้าถ้ามีมีเหตุจําเป็นจะต้องกินกินเพียงพอให้มันมีอะไรเคลือบท้องแล้วกินยาเข้าไป อาจะกินข้าวต้มสักครึ่งถ้วยหรือถ้วยหนึ่งแล้วก็กินยาตามไปถ้ากินแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นการกินยาอยู่ก็แล้วกันคำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะทำสมาธิเราเริ่มเห็นวิญญาณวางใจอย่างไรครับวิญญาณเป็นยังไงลองมาเล่าให้ฟังก่อนที่เห็น คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลาทําบุญอธิษฐานให้รัตนาไตรยดํารงในใจตลอดไปเวลาทําสมาธิบริกรรมพุทธ ธ, ธรรมะสังฆะจะมีส่วนช่วยจิตสงบง่ายขึ้นไหมคะนี่มีคําถามสองอันใช่ไหมหรืออันเดียวเนี่ยอันเดียวกันค่ะคําถามอันไหนอันเดียวอ่ะคือถามว่าเวลาทําบุญอธิษฐานว่าให้มี พัฒนาใต้ตดำรงในใจตลอดไปแล้วพอเวลาไปทําสมาธิเนี่ยก็จะบริการพุทธธรรมะสังฆะก็จะมีส่วนช่วยให้จิตสงบง่ายขึ้นไหมคะมันไม่เกี่ยวกับตอนทําบุญน่ะตอนทําบุญก็เรืป็นเรื่องของการทําบุญเวลาทําสมาธิมันก็เรื่องของการทําสมาธิการทําบุญนี่ไปอธิษฐานขอให้จิตสงบมันไม่สงบหรอกเพราะการทําบุญไม่ได้ทําให้จิตสงบมันทําใหจ้จิตได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจ จากการเสียสละแบ่งปันของเราส่วนการจากจใ้จิตมีความสงบก็เวลานะต้องจเจริญสติทั้งวันต้องจเจริญพุโทโธธรรมโมสังโฆไปทั้งวันอย่างนี้จิตก็จะสงบได้เ <c oughs> อียนมันยาวเอาแพ้มาชนแกะมันเลยผู้มันฟังไม่รู้เรื่องจะเอาทั้งการทำบุญแนละ้วตามวิธีมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบมันบุญคนละอย่างกัน ทำบุญเพื่อให้จิตสงบแบบทำบุญให้จิตอิ่มเอิบใจสุขใจแต่ไม่สงบแบบนั่งสมาธินั่งสมาธิจิตสงบต้องมีสติอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นอย่างเงี้ยคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจากท่านที่ถามเรื่องแฟนป่วยเป็นโลกซึมเศร้าอะค่ะแล้วเขาเลิกกับแฟนนะคะ เขาถามต่อบไปว่าพอดีเขาต้องการให้ผมอยากให้ผมอยู่กับเขาแต่ผมรู้สึกลำคาญและไล่ให้เขาไปรักษาตัวและไปตายผมบาปไหมครับคุณตัวคุณเป็นเห็นทําให้ก็าสื่อมเศร้าเขาก็ผิดหวังเขาอยู่คนเดียวเขาเหงาเขาก็เศร้าเลยถ้าคุณอยากจะให้เขาหายก็กลับไปอยู่กับเขา <laughs> ยังไม่มีครแต่เหตุที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่เราอยู่กับเขาหรือไม่หรอกเหตุ <c oughs> ที่แท้จริงอยู่ที่ความอยากของเขาเองอยากจะมีความสุขกับคนนั้นกับคนนี้พอเขาไม่อยู่กับเราก็เลยทําให้เราเศร้าขึ้นมาเศร้ามากๆก็เกิดอาการซึมเศร้าอยากจะข้า ต, ตัวตายไปถ้าเขาเปลี่ยนความอยากได้ว่าไม่เอาคนนี้ก็ได้หาคนใหม่ก็ได้ <c oughs> มีคนดีกว่าเขาต้องเยอะแยะไป คนเก่าก็ปล่อยเขาผ่านไปดีถ้จะได้ลองของใหม่ของเก่าเบื่อแล้วแต่เขาเปลี่ยนใจได้เขาก็เขาก็หายซึมเศร้าเขาก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมามีหวังมีโอกาสแล้วมีคนอีกในโลกนี้ต้องไม่รู้กี่พันล้านคนไม่ใช่มีเขาคนเดียวที่เราจะต้องมีเขาถึงจะไม่ถึงจะมีความสุขมีคนที่ดีกับเขาอีกต้องเยอะแยะทาไมเราไม่เปลี่ยนทัศนคติของเรา เห็นจากความอยากให้คนนี้กลับมาไปเป็นหาคนใหม่ก็ได้มีคนใหม่เยอะแยะรอเราอยู่ข้างหน้าคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะผมพิจารณาลมแล้วจิตตัดเข้าสู่ความว่างแบบไม่ใช้คำบริกรรม พอจะคลายแล้วจึงสลับมาพิจารณากายพักอยู่ในความว่างได้แค่ชั่วครู่ครับสลับไปสลับมากับเพ่งกายแบบนี้ถูกต้องไหมครับเวลาทําสมาธิเราไม่พิจารณา ก, กายนะี่ยเราทําใจให้นิ่งให้สงบอนิ่งสงบแล้วรักษาความสงบให้ไปนานๆอย่าไปพิจารณาพิจารณาแล้วมันจะต้องใช้ความคิดแล้วความสงบมันก็จะหายไปถ้าอยากจะพิจารณาก็ไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้เสียเวลา พิจารณาเลยตอนนี้ก็ได้พิจารณาไปทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้แต่พิจารณาโดยไม่มีสมาธิมันไม่มีประโยชน์ทําไม่สามารถฆ่ากิเลสได้ดังนั้นเราต้องทําสมาธิก่อนทําสมาธิจนจิตเรามีความสงบเอามาจากสมาธิก็ยังสงบอยู่แล้วค่อยมาพิจารณากายเพื่อปล่อยวางกายต่อไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ หนูเคยทำให้แม่เลือดออกโดยที่ไม่ตั้งใจหนูเป็นบาปไหม่เจ้าคะเพราะมันติดในใจหนูทุกครั้งที่นึกถึงค่ะถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปแต่ก็มีความเสียหายเราต้องพยายามระมัดระวังต่อไปเวลาอยู่ใกล้ใครต้องระมัดระวังการกระทำของเราอย่าไปทาให้เขาเสียหายเดือดร้อนคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะขอโอกาถามหลวงพ่อครับ เวลานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบมีวิธียังไงให้สงบครับก็ต้องเจริญสติบ่อยๆก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกพุโทโธไปทั้งวันเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยถ้ล ว, วลานั่งจิตจะสงบได้ง่ายคำถามที่สองค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงไหมครับทำไมคนทำชั่วถึงได้ดีครับโดยที่ไม่มีผลอะไรกระทบเขาเลย มันมีดีสองอย่างดีทางโลกกับดีทางธรรม <Yeah. S 1> ที่เราพูดถึงนี้เราหมายถึงดีทางธรรมคือทางจิตใจทำดีจิตใ จ, ใจเราก็จะสูงขึ้นดีขึ้ น, นจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยบุคคลไป ต, ตามลำดับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ดีด้วยเงินด้วยทองด้วยลาบยศสารเสริออันนี้ไม่เกี่ยวกับการทำ ค, ว, ความดีหรือทำความชื่อเพราะคนทาความช่วก็จริญในลาบยศสารเสริญได้กง <Yeah. S 1> เขาล้ก็ได้ ได้เงินได้ทองมาต้องเยอะแยะร่ำรวยเพราะความโกงก็มีเยอะแยะไปอันนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะละเรื่องกันอั น, นที่เราพูดดีนี่ม่ดีทางธรรมไม่ใช่ดีทางโลกทางโลกนี้ทำชั่วได้ดีมีถมไปใช่ไหมทำดีไม่ได้ดีแต่ทำชั่วได้กลับได้ดีมีถมไปนี่คือเรื่องของทางโลกทางโลกนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ทางธรรมทางธรรมก็คือจิตใจของเราจิตใจเราจะสูงขึ้นไปตามลาดับ อยากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระอาหาัรตตามลำดับนี่เกิดจากการทำความดีคำถามจากทางยูทูบด็อกเตร V วีค่ะถ้ามีความเจ็บควรดูความเจ็บไปเรื่อยๆหรือว่าควรจะกลับมาดูที่ลมหายใจคะอย่าไปเดือดร้อนกับมันนะมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปใจเรายังแฮปปี้อยู่ก็ใช้ได้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะเมื่อก่อนกลัวเรื่องความตายได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่าถ้าตัวเองตายก็ไม่กลัวแล้วแต่นึกถึงคนรอบตัวแต่นึกถึงคนรอบตัวจะตายแล้วรู้สึกใจหายค่ะจะวางใจอย่างไรคะก็ต้องคิดถึงความตายของเขา บ, าบา่อยๆเราคิดแต่ความตายของเราเราลืมคิดถึงความตายของคนอื่นเพราะคนอื่นตายเรากลับทาใจไม่ได้ ไม่ต้องคิดว่าเขาก็เหมือนเราเขาก็ต้องตายเหมือนกับเราเวลาพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาทั้งตัวเราและทั้งร่างกายของคนอื่นเพื่อเราจะได้เห็นความจริงเท่าๆกันเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายเราก็จะยอมรับความจริงความตายของเขาได้ความตายของเราได้แต่ถ้าเราพิจารณาเพียงแต่ตัวเราเราก็จะรับความตายของตัวเราเพียงคนเดียวแต่เรื่องของคนอื่นเรายังไม่ยอมรับนเพราะเราไม่ได้พิจารณา ยังต้องพิจารณาทั้งเราทั้งเขาให้ครบหมดทั้งทุกคนเนี่ยที่อยู่นั่งนี้ยพิจารณาว่าเดี๋ยวเขตายหมดไม่มีใครรอดสักคนเดี๋ยวพอเกิดความตายขึ้นมาเราก็จะได้ทําใจได้ยังไม่มีค่ะหมดแล้วเนะี่ยโอเคหมดที่พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติ